ท่านฟังคะเราอยู่กันกับรายการสรัสนิสนทนามาได้ครู่หนึ่งแล้วนะคะแล้วทีฉันก็พยายามที่จะให้ปีที่ผ่านมาเป็นการ ให้ในสิ่งที่มากขึ้นกับท่านฟังก็คือหลายคนคงจะสนใจในเรื่องของการปฏิบัติแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะไปปฏิบัติในสถานที่ที่เหมาะสมก็ให้ปฏิบัติไปพร้อมๆกับการฟังรายการของเราก่อนที่จะมาร่วมในการสนทนาธรรมซึ่งการฟังการสนทนาธรรมเนี่ยสำหรับดิฉันเองนะคะจะต้องใช้ปัญญาในการใคร้ ค, ครวญไปโดยตลอดก็เลยเชื่อว่าเราเริ่มต้นด้วยการมีสมาธิสก่อนเนี่ยจะดีเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้ปีนี้เราชื่อว่า เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะซึ่งเปิดธรรมที่ถูกปิดนั้นพระอาจารย์เผบูลบอกว่าเป็นพุทธวัจนะนะคะก็เป็นช่วงที่จะได้สนทนากับพระอ า, าจารย์เผบูลเนี่ยละค่ะจากวัดป่าดอนหายสูนุดรนธานีน้มักการกันทั้นค่ะ ไ, ะได้เจริญพรค่ะวันนี้มีจดหมายจากท่านฟังที่ต้องให้ท่านอาจารย์ตอบนะจากคุณเชิญสุดสะอยู่ที่คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานีนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยมีความสงสัย ว่าผัสสะคือการสัมผัสทางหูตาจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมครับผัสสะเนี่ยคืออะไรผัสสะเนี่ยคือมีตามีรูปมีวิญญาณเข้าไปรับรู้สามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะตาบวกรูปบวกวิญญาณอา้าวค่ะถ้าคนที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เนี่ยอบอกว่าอา้าวมีมีหูมีเสียงสิตของเราเข้าไปรับรู้อา้าวนี่ไงเกิดผัสสะ แต่ว่าผัสสะในเสียงวิทยุนะไม่ใช่ผัสสะในเสียงแอร์หรือเสียงนกหรือเสียงรถยนต์แต่มาทั้ะนั้ น, ท, นที่เสียงรถยนต์มันก็มีอยู่เสียงแอร์ก็อาจจะมีอยู่ในที่นั้นหรือเสียงนกอาจจะมีอยู่แต่ว่าจิตของเราไม่เข้าไปรับรู้เราก็จะไม่เกิดผัสสะในเสียงอื่นๆนอกจากเสียงวิเตียยูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าผัสสะในส่วนของที่เป็นหูเนี่ยสูตรจะเป็นยังไงคะหูบวกเสียงค่ะบวกการเข้าไปรับรู้บวกวิญญาณวิญญาณ ดังนั้น<า>วิญญาณานี่คือการเข้าไปรับรู้นั่นเองใช่สามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะบางทีเราเคยไหมที่ว่าเรามองมองไปแล้วก็เมอไปไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่จิตไม่เข้าไปรับรู้แต่ว่าจิตนิคิดเรื่องอื่นอยู่มีตาไหมมีมีรูปไหมมีลืมตาอยู่นีเห็นรูปแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรไม่รับรู้อะไรเพราะว่าจิตของเราไปอยู่ที่ความคิดเรื่องอื่นค่ะดังนั้นจะว่าไปสามองค์ประกอบที่รวมเป็นผัสสะ มันจะเป็นผัด ส, สะไปไม่ได้ถ้าขาดองค์ประกอบที่สําคัญนี้คือการเข้าไปรับรู้ใช่ไหมคะอันใดอันหนึ่งก็ขาดไม่ได้ต้องมีสามอย่างพร้อมแต่สําหรับคนทั่วๆไปนะคะดิฉันเข้าใจว่าไอเ น, นี้ยไอตัวที่สามเนี่ยการเข้าไปรับรู้เพราะว่าในคราวเดียวกันที่ท่านอาจารย์บอกบอกว่าเสียงไม่ได้ยินหลายเสียงนะบางทีในระหว่างที่เรากําลังฟังวิทยุอยู่เนี้ยท่านเองแหละเป็นคนทําเสียงเคาะกระทะเพราะกําลังผัดกับข้าวอยู่แต่ว่าสมาธิได้ยินเสียงวิทยุ เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันตั้งใจรับรู้เรื่องนี้ซะแล้วนะคะอันนี้คือผัทสะนามรูปก่ะท่านคะนามคือชื่อที่เรียกฐานรูปคือตัวคนที่ถูกเรียกใช่ไหมคะไม่ใช่นามนี่ก็คือว่าเอาง่ายๆ อ, อนามนามเนี่ยคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้สมบัตไม่ได้นะคือสิ่งที่เป็นนามนธรรมอย่างเช่น เ, เวทนาสัญญาความรู้สึกความรู้สึกเจ็บ อชอบไม่ชอบนะความจำพวกนี้เป็นเวทนาอเออเป็นนา ม, นามส่วนรูปคืออะไรรูปนี่ไงของแข็งมีอะไรเออเป็นเอ่อธาตุ ด, ดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเออธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่สี่อย่างนี้อือแต่ดิฉันก็เข้าใจคุณเชิญนะคะ เข้าใจสงสัยดินามคือชื่อที่เรียกขานใช่ไหมคะนามดิฉันชื่อสรนสนีแต่จะว่าไปจริงๆลําพังชื่อสรนสนีเนี่ยมันก็จับต้องไม่ได้มันต้องเห็นเป็นตัวอันนี้มีส่วนถึงจะเป็นรูปใช่ไหมคะที่มีดินนส่มสันสีเนี่ยเป็นสัญญาเป็นความจําได้หมายรู้อ๋อเลิกคะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเชิญจะงงดิฉันก็จะงงด้วยสรุปแล้วนามคือจับต้องไม่ได้รูปคือรูปสิ่งที่จับต้องได้ค่ะประกอบด้วยดินน้ำถ่ายลมค่ะ เรารู้สึกอุณหภูมิร้อนเย็นเราเอามือลูบไปเรารู้สึกว่ามีลมอยู่อันนี้พวกนี้เป็นรูปหมดอ๋อลมจับไม่มองไม่เห็นนี่ก็เป็นรูปเหรอคะท่งนอาจอ๋อใช่ใช่ช่อ๋อแปลกจริงๆเพราะว่าเราเอามือลูบไปเนี่ยพัดพัดอากาศไปเรารู้สึกว่ามีลมอยู่นี่ถูกไหมเราใส่ไว้ในลูกโป่งไอ้มันมีของอยู่แฮะออย่างนี้นะนี่คือรูปค่ะสลายตระดิฉันชอบวิธีถามของคุณเชิญแบบว่าคํานี้ไม่รู้เลยครับ สลายตระนักเนี่ยก็คือมันมีเหตุมาจากว่าคืออุปกรณ์แห่งการรับรู้ถ้าเราบอกว่ากล้องเนี่ยมีเลนส์ใช่ไหมคือคสลายตนะตัวเราเนี่ยมีตาคือสลายตนะหนักตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นสลายตนะหอุปกรณ์แห่งการรับรู้ใช่เครื่องรับรู้ต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องมีหูเราถึงจะได้ยินพ อ, อหูนี่มันมาจากอะไรมีเหตุมาจากน้ํารูป พอมีหูแล้วเนี่ยมันถึงจะมีการได้ยินเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นสลายยตนาเนี่ยจึงเป็นเหตุของปัจจะค่ ะ, ะส่วนสิบหัวข้อถัดมาไม่รู้จะทันเวลาหรือเปล่านะคะเอาเท่าที่พอบอกว่าใช้ได้หรือเปล่าครับไม่ถูกตรงไหนช่วยเพิ่มเติมด้วยครับ อ, อวิชาหมายถึงรู้เท่าไม่ถึงการการปราศจากความรู้ใช่ไหมคะ อ, ะอวิชาพระพุทธเจ้าพูดถึงก็คือ ก, การไม่รู้ซึ่งอริย ส, รรสัจังสี หรือว่าไม่ยอมจะเข้าใจไม่ยอมจะรับรู้นี่ก็คืออวิชชาอ๋อต้องเรื่องอริยสัจสีเท่านั้นอ๋อไม่ยอมจะรับรู้ก็เข้าข่า ย, ยด้วยใช่ใชคือเหมือนกับว่าฉันไม่ศรัทธาน่ะไม่พาตัวเข้าไปรับรู้เลยอย่างงั้นหรือเปล่าคะอันนี้อวิชชาแน่นอนค่ะอวิชชาคือการไม่รู้การไม่ยอมจะรับรู้ในสิ่งที่เรียกว่าความจริงใช่ใอริยสัจสี่ส<ๆ>ความจริงที่ยิ่งใหญ่ ส่วนสังขารคุณเชิญเข้าใจว่าคือสิ่งที่ประกอบและปรุงแต่งขึ้นในร่างกายและจิตใจรวมกันใช่ไหมคะก็มีส่วนถูกอยู่เพราะว่าสังขารที่วุทิชาหมายถึงอันนี้คือการตรุงแต่งทางกายก็ได้คุณทางวาจาคุณพูดอะไรออกมานี่เป็นการปรุงแต่งหมดการที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไฟต้นไม้โตได้นี่ก็มีสังขารของมันการปรุงแต่งของมันดังนั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยคืออาจจะหมายถึงระบบสมมติทั้งหมด แต่วา่าหมายถึงการที่เราพูดแสดงออกความคิดอะไรตา่างๆพวกนี้เป็นสังขารหมดถ้าจังคะงั้นถ้าสมมุติว่ามีมีกระดาษสีเขียวนะค ะ, ะเรามองเห็นด้วยกันว่ามันกระดาษสีเขียวแต่มีอีกคนนึงบอกว่า ม, มันเขียวปิดปีดเลยอันนี้ปรุงแต่งมากขึ้นไปหรือเปล่าหรือคนละความหมายอ่าถูกต้องอันนี้เป็นการปรุงแต่งของเก่าแต่ถ้าเขียวพื้นพนี่นไม่ใช่ใช่ไหมคะ เดี๋พื้นๆก็เป็นสัญญาอ๋อค่ะอ่าวิญญาณนญญานเนี่ยท่านคะวิญญาณเนี่ยคือเขาเ <ๆ S 1> ชื่ออย่างนี้คะ่ะถ้าถามว่าเขาเข้าใจถูกหรือยังนะคะบอกว่าสิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิตเมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปเกิดใหม่อืม อ, อันนี้พระพุทธเจ้ามีมีพิกษุนองค์หนึ่งที่สาติอนะที่เคยไปบอกพระรพุทธเจ้าลักษณะนี้เหมือนกันว่าวิญญาณนี่แหละที่เป็นตัวไปเกิด ไปพบนั้นพบนี้ไปเกิดอยู่ล่ำไปปริชาบอกไม่ใช่วิญญาณเนี่ยมีเหตุของการเกิดวิญญาณมีเหตุของการดับนะถ้าเหตุดับวิญญาณก็จะดับเพราะฉะนั้นการที่คำพูดี่บอกว่าวิญญาณเนี่ยล่องลอยไปเกิดเนี่ยเป็นอ่าไม่เป็นอาการลิโกเพราะว่าถ้าวิญญาณเหตุของวิญญาณดับเนี่ยวิญญาณจะไม่ลอยไปเกิดถ้าจัดคะงั้นงั้นข้อ ความเข้าใจช่วงแรกที่บอกว่าสิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิตอันเนี้ถูกไหมคะมีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิตโอเควิญญาณเก้าลงสูน่นามรูปนะพระพิจารณาใช้คําว่าเก้าลงสูน่นามรูปคือวิญญาณของเราเนี่ยเข้ามายึดถือกายนี้ที่เราจับอยู่เนี่ยแขนอยู่นี้หาอยู่นี้หูอยู่นี้ว่า น, นี้เป็นตัวเราของเราเท่ากับว่าต้องมีชีวิตจึงมีวิญญาณต้องมีชีวิตจึงมีวิญญาณเอาก็มีส่วนถูกพระอาจารย์คะงั้นถามต่ออีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ ในหนึ่งชีวิตนั้นต้องมีหนึ่งวิญญาณถูกไหมคะหนึ่งชีวิตต้องมีหนึ่งวิญญาณคืออยู่กับเราตั้งแต่วันที่เราเกิดจนกระทั่งเราตายไปอย่างนี้ใช่วิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเพราะฉะนั้นวิญญาณที่อยู่ในกายเนี้ยที่ที่พูดไปเมื่อกี้มันดับไปแล้วน ะ, ะแล้วมันเกิดใหม่แล้วเนี่ยค่ะอันนี้ถึงจึงต้องถามย้ํำท่านอาจารย์เพราะว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเชื่อกันอย่างนี้ว่าพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันมีวิญ ญ, ญาณเกิดขึ้นทันที และเป็นวิญญาณของเราซึ่งวิญญาณนั้นมันจะอยู่กับเรานะคะมีสุขมีทุกข์ร่วมกันกับเราแล้วก็เมื่อเราตายวิญญาณดวงนี้ยังอยู่นะคะแต่ร่างเนี่ยมันดับสลายอันนี้ผิดเลยใช่ไหมคะผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดผิดอย่างยิ่งรึเปล่าคะหรือว่าผิดนิดนผิดนี่คือคนละเรื่องกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าวิญญาณเนี่ยเป็นของเกิดของดับ เกิดดับขนาดไหนเกิดดับเร็วมากเหมือนกับว่าวานนอนเนี่ยจับจริ่งไ้มกิ่งนี้ปล่อยอีกกิ่งหนึ่งโหนตัวไปจับอีกกิ่งหนึ่งไฟจับไปจับอย่างนี้เร็วมากในหนึ่งวินาทีเนี่ยเขาตีซะว่ายกตัวอย่างเฉยๆเนี่ยมันอาจจะเกิดดับเนี่ยเป็นพันล้านครั้งนะมินยานเนี่ยครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันดับไปแล้วแล้วมันเกิดเนี่ยมันเก้าวลงตรงไหนมันก็ก้าวลงที่กายเก่านี่แหละครอ่อนอกเสียจากว่ากายเก่าเนี่ย ไม่มีสภาวะสถานะที่จะให้มันก้าวลงได้แล้วมันก็จะไปก้าวลงอันไกยอันใหม่โหก็เท่ากับว่าวิญญาณนี่มันเป็นวาบชั่วคราวแค่นี้เองแค่พูด <รอ S 1> คําว่านะวาดนี่อาจจะเจอวิญญาณไปแล้วหลายดวงมากเลยใช่ไหมกรับท่านถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นจุดในการที่เราจะสามารถรับรู้ได้ว่าเอ้ยอันนี้เห็นว่ามันเป็นของเกิดดับเนี่ยมันได้ทุกวินาทีได้ตลอดเวลา แต่เพราะว่าเราถูกอวิชาหลอกอยู่ว่าวิญญาณเนี่ยเป็นของเนียนมากต่อเนื่องกันมาเลยนะ <c oughs> ก็เลยยังถูกหลอกอยู่จึงทําให้เรามีความทุกข์เช่นนี้ทีนี้ก่อนหน้าที่จ ะ, อะขอท่านไปต่อวันต่อไปเนี่ยสรุปสุดท้ายเมื่อกี้นี้ตอนที่ท่านได้กล่าวถึงเรื่องผัสสะบอกว่าวิ ญ, ญญาณเป็นองค์ประกอบของผัสสะเมื่อไปประกอบกับสลายตรนะณะใช่ไหมค ะ, ะแล้วก็รูปข้างนอกแล้วก็รูปข้างนอกเนี่ยวิญ ญ, ญาณ ที่กำลังพูดถึงกันอยู่นี้กับวิญญาณที่เกี่ยวกับผัสสะเนี่ยอันเดียวกันไหมคะอันเดียวกันอันเดียวกันค่ะมันเกิดวาดเดียว<อ>าการการรับรู้นั้นก็มันเกิดจากหลายๆวิญญาณต่อเนื่องกันถ้ารับรู้ยาวถูกไหมคะใช่อ้โอันนี้เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งไหมคะท่านฟังดิฉันแค่วิญญาณเรื่องเดียวในคิดว่าเราคุยได้เป็นาเป็นอาทิตย์เนะะ่ยค่ะท่าอาจารย์คะทีนี้วันนี้เนี่ยคงจะต้อง ให้คุณเชิญและท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจคำถามของคุณเชิญเนี่ยติดตามรับฟังต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าท่าอาจารย์ก็อธิบายได้กระจ่างและดิฉันคิดว่าท้าทายกับความเข้าใจเดิมของพวกเรามากต้องน้มสักการขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะน้อมสักการนะคะ